ในเรือนชั้นนอกโดยพันเอกปิ่นมุทุกันภาคเรือนชั้นใน 1. เรือนขอความสุขความเจริญโจมีแก่ท่านผู้ฝังที่เคารพหัวข้อปาฐกถาของผมวันนี้คือเรื่องเรือนชั้นในชื่อเรื่องเห็นจะไม่ต้องอธิบายเพราะคำนี้เป็นคำไทยเต็มตัวและมีความหมายชัดเจนอยู่ในตัวแล้วผมอยากจะทายว่าความคิดนึกของท่านผู้อ่านในขณะนี้ คงจะไม่ติดใจในเรื่องชื่อแต่คงอยากจะทราบที่หมายของเรื่องมากกว่าว่าเรือนชั้นในของผมหมายถึงอะไรกันแน่และผมก็ขอโทษที่จะต้องขอท ร, รมานท่านผู้ฟังให้ตอบข้อสงสัยของท่านจากเนื้อความของปฐาฐกถาซึ่งจะเสนอต่อไปทางศาสนาพระท่านแบ่งคนออกเป็นสองพวกตามลักษณะการดํารงชีพคืออาคาริยะคนมีเรือนอนาคาริยะคนไม่มีเรือน พวกอาคาริยะนั้นบางแห่งเรียกว่าคารวาดและครุหัดซึ่งแปลว่าคนครองเรือนหรือคนมีเรือนคนประเภทนี้คือคนที่ไม่บวชดำรงชีพอย่างชาวบ้านเหมือนเร า, เราๆท่านทนนี่แหละส่วนพวกอนาคาริยะหมายถึงคนสละเย่าเรือนออกไปบวชเป็นบรรพชิตโปรดทําความเข้าใจอีกนิดที่ว่าคนมีเรือนหรือคนครองเรือนนั้น ความจริงไม่ได้เล็งถึงว่าเป็นคนมีบ้านเรือนเป็นสมบัติของตนเองหรือไม่แต่เพ่งลักษณะการดํารงชีพเป็นสําคัญลงคนไม่ได้บวชหรือบวชแล้วศึกอย่างผมนี้ก็ตามเรียกว่าคนครองเรือนทั้งนั้นทั้งหญิงทั้งชายไม่ว่าจะมีบ้านอยู่เองหรืออยู่บ้านหลวงหรือบ้านเช่าหรือเคาะเขาอาศัยอยู่หรืออยู่อาคารสงเคราะห์จนกระทั่งคนอาศัยวัดอยู่ อยู่เรือลอยอยู่แผงลอยข้างถนนก็เรียกว่าคนมีเรือนหรือคนครองเรือนทุกคนทีนี้ว่าถึงความหมายกับความจริงคนมีบ้านอยู่จริงๆหรือมีบ้านให้คนอื่นเช่าหรือมีบ้านที่จะครอบครองแล้วเรียกว่าคนครองเรือนก็ไม่น่าสงสัยเพราะมีบ้านเรือนเป็นของตนจริงๆแต่คนที่ไม่มีบ้านสิไม่มีจริงๆไม่มีแม้แต่กระดานสักแผ่นเดียวที่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของตัว และแม้บ้านที่จะอาศัยคนอื่นพอค้างกายก็ไม่มีแต่ถูกเหมาเอาว่าเป็นคนมีเรือนด้วยหมายความว่าอย่างไรผมเองก็สงสัยและสงสัยมานานแล้วเอาอะไรเป็นหลักเกณฑ์กันแน่คิดมานานแล้วก็ยังไม่พบทางออกที่พอใจแต่เรื่องของใจคนแม้ไม่มีทางถ้ามันจะออกมันก็ออกจนได้ในเรื่องคนมีเรือนนี้ก็เหมือนกันผมคิดว่า ธรรมดาคนชาวบ้านเราจิตใจผวองเกาะเกี่ยวอยู่กับเรื่องบ้านเรือนด้วยกันทั้งนั้นคิดจะซื้อบ้านคิดจะขายบ้านคิดจะปลูกบ้านคิดจะซ่อมบ้านคิดจะเช่าบ้านคิดจะขึ้นค่าเชาวบ้านคิดจะเสียค่าชาวบ้านคิดจะโกงค่าชาวบ้านคิดจะเรียกแปะเจี๊ยะจากผู้ชาวบ้านไม่ใช่นั้นก็คิดถึงบ้านคิดจะกลับบ้านคิดจะทิ้งบ้านรวมความเป็นเบ็ดเสร็จเตดขาดว่า คนไม่บวชเนี่ยหายใจเข้าก็บานหายใจออกก็บานทั้งตัวทั้งใจมันวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่กับเรื่องบัาบ้านเรือนๆือนอย่างนี้ละกำมังพระท่านจึงเรียกว่าคนมีเรือนหรือผู้ครองเรือนคําว่าคนมีเรือนในภาษาไทยเราก็มีแต่ความหมายที่ใช้กันแคบกว่าทางพระเช่นใครคนหนึ่งถามว่าแม่หนูคนนั้นเขามีเรือนแล้วหรือยังถ้าอีกคนตอบว่าจ้าเขามีไปนานแล้ว อย่างนี้เป็นที่รู้กันว่าคําว่าเรือนที่คนทั้งสองพูดกันนั้นหมายถึงอะไรคือเขำหมายถึงคู่ครองเขาหมายถึงว่าหนูคนนั้นะมีคู่ครองแล้วหรือยังแล้วอีกฝ่ายตอบว่าเขามีเรือนแล้วก็หมายความว่าเขามีคู่ครองแล้วหรือแต่งงานแล้วเป็นอันว่าคําว่าเรือนมีความหมายลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่เรือนที่ทําด้วยไม้หรือตึก ท่านผู้ฟังพอจะมองเห็นลางๆแล้วหรือยังเรือนชั้นในที่ผมหมายถึงแต่ที่เรียกคู่ครองว่าเรือนนี้ดูเหมือนจะเป็นคำหมายถึงผู้ชายที่เป็นคู่ครองของหญิงเป็นส่วนมากฝ่ายคู่ครองของพวกผู้ชายเห็นจะใช้คำแทนชื่อภรรยาว่าที่บ้านเป็นพื้นอย่างเช่นเราไปทำงานแล้วถลหยไปไหนๆกลับบ้านผิดเวลาเรามักจะปรับทุกกับเพื่อนๆว่า ประเดี๋ยวโดนที่บ้านเล่นงานตายนี่ใช้คําว่าที่บ้านแทนคู่ครองแต่ถ้าใครมีที่บ้านไว้หลายแห่งที่บ้านที่มีทีหลังก็มักเรียกว่าบ้านเล็กหรือไม่ก็ว่าบ้านโน้นแล้วแต่จะสามารถออกเสียงคําไหนได้ถนัดกว่าเพราะคนที่มีที่บ้านไว้หลายแห่งโดยปกติแล้วจะมักพูดติดอ่างนิดหน่อยออกเสียงเรียกบ้านเล็กได้ไม่ค่อยเต็มปากนักเอาเป็นยุติกันทีคําว่าผู้ครองเรือน หมายถึงคำที่มีการดำรงชีพเนื่องด้วยบ้า น, านเรือนทั้งตัวทั้งใจชอบคลุกอยู่ในบ้านซึ่งพวกเราก็ร้องเรียกคำจํำพวกนี้อยู่แล้วว่าชาวบ้านและเรียนชั้นในในปาทกถาของผมก็คือคู่ครองของคนชาวบ้านนั่นเองคุณเรือนบ้านเรือนขอโทษผมหมายถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจริงๆ บ้านเป็นอุปกรณ์สําคัญยิ่งอย่างหนึ่งของคนครองเรือนคนชาวบ้านอย่างเราพระตั้งชื่อให้แล้วว่าอาคาริยะแปลว่าคนมีเรือนคนประเภทนี้จะมีความสุขเต็มที่ก็เพราะมีบ้านมีเรือนได้ครองจึงมีสุขลงได้ใครไม่มีบ้านเรือนจะครองแล้วแสนจะทุกข์ถึงแม้จะมีใครใจดีให้อาศัยบ้านอยู่ก็ไม่พ้นทุกข์ใจเพราะรู้สึกเกรงอกเกรงใจไปเสียทุกอย่าง ต้องคอยเฝ้าสังเกตกริยาอาการของท่านเจ้าบ้านตลอดจนลูกเมียของท่านวันแล้ววันเล่าได้ยินท่านพูดอะไรกับใครก็ต้องเอามาคิดยิ่งถ้าท่านพูดถึงคำว่าอยู u, ่ๆไปไปคับคับแคบแค บ, ค บ, ค บ, ค บ, คบเป็นอดคิดไม่ได้แต่ที่สุดท่านดุหมาดุแมวว่ามันนอนเกะกะทางเดินคนอาศัยบ้านก็รับคำดุแทนหมาแทนแมวจนได้ถึงคนเช่าบ้านคนอื่นอยู่ก็เถอะ ให้มีการไม่อยากเห็นหน้าเจ้าของบ้านแทบทุกคนยิ่งถ้าเจ้าของบ้านเป็นคนเข็มหินแกเงินงานอะไรไม่คิดคิดอย่างเดียวจะขึ้นค่าเช่าคนเช่าบ้านเกลียดขี้นานักเจอหน้าทีไรมันไม่สบายใจแม้แต่กลับจากทำงานเด็กที่บ้านบอกว่าเมื่อคืนตอนกลางวันท่านเจ้าของบ้านมาถามหาเท่านั้นก็สะดุ้งเรื่องของเรื่องคือกลัวเขาจะขึ้นค่าเช่ากลัวจะเรียกค่าซ่อมโน่นซ่อมนี่ ซึ่งบางรายก็ร้ายเหลือดีส้วมบ้านที่แกอยู่เองพังก็มาหาเรื่องเรียกค่าซ่อมจากผู้เช่าบ้านไม่เกรงขี้หน้าจะให้ทำยังไงเอะอจะชวนเลิกสัญญาเสียเรื่อยแต่คนเช่าบ้านสมัยนี้ก็ร้ายมากเหมือนกันเช้าบ้านเขาอยู่แล้วค่าเช่าก็ไม่ให้เล่นเอาเจ้าของบ้านทวงจนอายบอกเลิกสัญญาแล้วก็ไม่ยอมออกจากบ้านถึงกับต้องจ้างให้ออกด้วยค่าจ้างแพงๆก็มี ตอนจะทําสัญญาเช่าผู้เช่าต้องเสียแปดเจียเพื่อตัวจะได้เข้าอยู่บ้านแต่ตอนเลิกสัญญาเช่าเจ้าของบ้านกลับต้องเสียแปะเจียจ้างให้เขาออกจากบ้านรวมความว่าขิงก็ราขาก็แรงผลที่สุดต่างฝ่ายต่างมองหน้ากันไม่ติดเป็นความทุกข์ทรมานใจกันทั้งสองฝ่ายถ้าหากพากันเลิกระบบอย่างนี้เสียได้ก็จะเป็นบุญเรือนที่ว่านี้หมายถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตามธรรมดา ซึ่งข้าพเจ้าขอเรียกว่าเรือนชั้นนอกไปพลางพลางก่อนจะได้เป็นคำตรงกันข้ามกับเรือนชั้นในเรือนชั้นนอกก็คุ้มได้แต่ภัยชั้นนอกเช่นคุ้มแดดลมฝนหรือโจนผู้ร้ายถ้าบ้านเรือนแข็งแรงพอคนอยู่ก็สบายใจแต่ภัยชั้นในสิท่านเอ๋ยเอาอะไรมาคุ้มที่ว่าเรือนชั้นนอกคุ้มแดดได้ บางคนมีบ้านอยู่อย่างกะปราสาทพระอินทร์ประตูก็เปิดแล้วหน้าต่างก็เปิดแล้วยังแถมเปิดพัดลมเสียอีกด้วยแต่ใจมันก็ยังร้อนวูบวูบทั้งๆ ท, ที่ประลอดก็ไม่ขึ้นสักนิดนอนตรงไหนก็ไม่สุกนั่งตรงไหนก็ไม่สบายนั่นมันเรื่องอะไรกันจริงบ้านเรือนคุ้มฝนได้คนมีเรือนดีๆให้ฟ้าร้องครืนๆก็นอนหลับสบายแต่ก็อีกแหละ ถึงจะคุ้มเสียงฟ้าได้ก็ยังคุ้มเสียงคนไม่ไหวพอมีเสียงแหววมาว่ารัฐบาลจะปราบคอรัปชันกรรมการจะสะสางการปฏิบัติหน้าที่หรือตำรวจจะกวาดล้างพวกมิจฉาชีพแล่นธภ า, านให้เด็ดขาดทาั้งๆที่นอนอยู่ในเครือห่ามะขมมาใจมันก็สะดุ้งนอนหลับแล้วยังผวากลัวแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์เกลียดแม้กระทั่งเสียงพระเทศในวิทยุบ้านหลังเบ้อ ก็ยังไม่พอจะนั่งจะนอนต้องคิดเร่ร่อนหนีน้่นมันเรื่องอะไรถ้าบ้านเรือนเราแข็งแรงพอแม้พายุจะตลบมาทั้งสิบทิศเราก็ไม่หวัน่นปิดประตูหน้าต่างเสียแล้วนอนอุตุในบ้านก็ได้แต่ลมปากของมนุษย์สิบางทีลมในบ้านเราเองมันพัดจากบนบ้านลงใต้ถุนพัดจากใต้ถุนเข้าไปในครัวบางคราวลมข้ามรัว้ว พัดจากบ้านเหนือบ้างจากบ้านใต้บ้างทำให้ใจเราโยกโคลนเครงโคลนเครงจะเสียหลักให้ได้ลมชนิดนี้จะเอาอะไรกันประโยชน์ของบ้านเรือนอีกอย่างคือการขโมยถ้าบ้านเรามีรั้วรอบขอบชิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยดีพอต่อให้ไอเสือยกมาเราก็ไม่กลัวแต่อีกแหละถ้าตัวเราเองเป็นขโมยละ่ะ จะกันได้ไหมโปรดคิดดูเองตกลงว่าแม้มีบ้านอยู่แล้วเราก็ยังไม่ปลอดภัยพอบ้านกันความร้อนรนทางใจไม่ได้บ้านทำให้ใจปลอดภัยจากลมปากมนุษย์ไม่พอบ้านป้องกันตัวเองเป็นขโมยไม่ไหวแล้วเราจะทำอย่างไรแน่ละ่ะเรือนชั้นในจะทำความปลอดภัยให้แก่ท่านถ้าหากว่าท่านจะปลูกสร้างขึ้นอย่างถูกแบบ ผมหมายถึงการครองเรือนซึ่งได้เปิดเผยไว้แล้วตอนแรกท่านคงยังจำได้โดยทั่วไปคนเราใฝ่ฝันที่จะครองเรือนอยู่แล้วผู้ชายก็อยากจะครองที่บ้านผู้หญิงก็อยากจะครองเรือนแต่ส่วนมากมักจะมองข้ามข้อปฏิบัติหรือเงื่อนไขในการครองเรือนไปเสียแม้ว่างานครองเรือนจะเป็นงานใหญ่ยิ่งและยืดเยื้อที่สุดในชีวิตไม่มีการเรียนไม่มีการสอนไม่มีการอบรม ทุกคนมักจะคิดเอาง่ายๆว่าคนเราโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ต้องครองเรือนได้เองเวลาพูดถึงวัยของเด็กเช่นมีใครถามว่าแม่คนนั้นพ่อคนนี้โตหรื อ, อยังคนก็ตอบว่าอุ้ยเขาโตพอจะมีย่าอมีเรือนได้แล้วที่ตอบอย่างนี้สอว่าผู้ตอบเห็นว่าการครองเรือนเป็นเรื่องง่ายดายนักพอโตถึงที่แล้วก็ครองได้เหมือนจะยกโต๊ะสักตัวหนึ่ง เมื่อตัวแข็งแรงพอก็ยกได้เองความจริงไม่ใช่อย่างนั้นการครองเรือนไม่เหมือนยกโตะ๊ะถ้าจะเปรียบก็เหมือนขับรถยนต์คือไม่ใช่ใช้กำลังกายล้วนๆต้องมีความรู้และความสามารถด้วยแต่เท่าที่เห็นที่เห็นกันอยู่ผมอยากจะคิดไปว่าคนส่วนมากยังดูเบาในภารกิจอันนี้อยู่ผิดถูกขออภัยเด็กๆหนุ่มสาวที่หมายมั่นปั้นมือจะแต่งงานกันคิดแค่ว่าเมื่อไหร่ได้คู่ครองมา แล้วก็จะมีความสุขและคิดแค่ว่าความสุขในการครองเรือนจะมาจากทรัพย์สมบัติหรือรายได้ของครอบครัวเท่านั้นเกือบจะไม่นึกเฉลียวใจว่าคู่สมรสที่นั่งร้องไห้อยู่บนกองเงินกองทองก็มีถนไปกว่าจะรู้ตัวก็สายเสียแล้วบางรายไปรู้เอาเมื่อบ้านปลายคล้อยไปมากแล้วก็แก้อะไรไม่ทันทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะมองข้ามความสําคัญของเรือนชั้นในไปเสีย ที่พูดนี้ดูจะเป็นเชิงตำหนิใครๆอยู่บ้างความจริงผู้ครองเรือนไม่น้อยที่ตระหนักในปัญหาเหล่านี้ดีและดำเนินการคลองเรือนได้ถูกต้องเรียบร้อยผมต้องขออภัยที่พูดนี้โปรดคิดเสียว่าผมไม่ได้พูดกับท่านคนเดียวแต่พูดตามทางวิชาซึ่งต้องถือว่าพูดกับคนทั่วไปและไม่ได้มุ่งตำหนิติเตียนใครหากแต่ชี้ข้อผิดพลาดบางประการ อันเป็นประโยชน์แก่การครองเรือนเท่านั้นรวมความว่าความสุขในชีวิตของคนชาวบ้านอยู่ที่การมีเรือนพระก็เรียกเราว่าคารวาสผู้ครองเรือนคนอย่างเราเานี้ต้องมีเรือนครองจึงจะสุขแต่เรือนที่เราจะครองต้องมีสองชั้นต้องครองให้ครบจึงจะได้ความสุขสุดยอดของการครองเรือนการดูเบาในการครองเรือนเป็นความบกพร่องอย่างยิ่งพระตรัสไว้ว่า ทุราวาสาคราทุกขาครองเรือนไม่ดีมีแต่ทุกระทมครองอย่างไรจึงจะดีเชิญพิจารณาต่อไปคนในเรือนการที่เราจะดำเนินการครองเรือนให้ถูกต้องจะต้องวิเคราะห์ดูก่อนว่าในครัวเรือนหนึ่งหนึ่ ง, งมีอะไรบ้างแยกเรือนนอกเรือนในออกจากกาันให้เด็ดขาดเสียก่อนจึงจะเห็นจุดบกพร่องที่ควรจะแก้ไขต่อไป ในครอบครัวหนึ่งหนึ่งประกอบขึ้นด้วยส่วนประกอบสำคัญสองชนิดคือคนและของคนหมายถึงผู้คนที่รวมกันอยู่เป็นครัวเรือนของหมายถึงข้าวของเครื่องใช้จำพวกเงินทองบ้านช่องเรือสวนไรน่นาจนกระทงงั่งโอ่งอ่างกระถางกระทะมีดพระจอบเสียมสองอย่างนี้อย่างไหนสำคัญกว่ากันเห็นจะตอบได้ตรงกันทุกท่านเพราะ เห็นกันอยู่แล้วว่าคนย่อมสําคัญกว่าของเป็นหัวใจของครอบครัวทีเดียวเส้นเป็นเส้นตายอยู่ที่คนแม้จะมีสมบัติมหาศาลอยู่บ้านอย่าง ก, กะวังถ้าคนในเรือนเหลวไหลเสียอย่างเดียวการครองเรือนก็เหลวแหลกหมดหาความสุขไม่ได้มีแต่จะนั่งร้องไห้อยู่บนกองเงินกองทองแต่คนในบ้านของเรียบร้อยปกครองกันดีถึงอยู่กระท่อมมุงแฝกก็หัวเราะได้ หัวใจของคนครองเรือนจึงอยู่ที่คนในเรือนทีนี้คนในเรือนนั้นมีอยู่หลายคนครอบครัวหนึ่งก็ราว5้ถึงหคนขึ้นไปถึง1 4บ5คนหรือมากกว่านั้นก็มีในบรรดาผู้คนในเรือนนั้นแบ่งชั้นตามความสําคัญเกี่ยวกับเศรษฐภาพของครอบครัวจริงๆมีอยู่สองชั้นคือชั้นในสามีกับภรรยาชั้นกลางบุตรชั้นนอกบริวารชน คนสชั้นนี้หากจะอธิบายด้วยรูปภาพให้เห็นความสําคัญง่ายๆก็น่าจะเป็นอยู่อย่างนี้ในภาพสามีภรรยาอยู่ในสุดบุตรอยู่ล้อมรอบด้านนอกบริวารชนอยู่ชั้นนอกสุดสามีภรรยาหมายถึงผัว ก, กับเมียสองคนนี้อยู่ในฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัวคือตัวผู้ครองเรือนนั่นเองบุตรหมายถึงลูกๆของหัวหน้าครอบครัวและที่ว่า หัวหน้าครอบครัวในที่นี้หมายถึงผู้รับผิดชอบในวงการของครอบครัวโดยทางธรรมผัวเมียทุกคนอยู่ในฐานะเป็นหัวหน้าของครอบครัวทั้งนั้นแม้ว่าแต่งงานกันแล้วตัวจะยังอยู่กับพ่อแม่ก็ตามนี่ครอบครัวทางธรรมไม่ใช่ครอบครัวทางเทศบาลหรือทางมหาไทยบริวารชนหมายถึงคนอื่นๆที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเช่นพ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวพี่น้องข้างเมียพี่น้องข้างผัวหลานหลาน คนใช้ลูกจ้างและคนประเภทอื่นๆอีกคือนอกจากผัวเมียกับลูกๆแล้วนับเป็นบริวารทั้งสิ้นดูภาพแล้วท่านจะเห็นว่าผัวเมียคือแกนหลักของครอบครัวดีไม่ดีอยู่ที่คนสองคนนี้รองจากนั้นก็ลูกๆส่วนบริวารชนนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบพูดตามภาษาลิเกว่าพวกเสนารหรือว่าตามภาษาเล่นหนังก็เป็นเพียงตัวประกอบ ถ้าคนสามพวกนี้ประพฤติเหลวไหลเป็นคนเกะกะเกเรความทุกข์ที่จะเกิดแก่ครอบครัวก็มากน้อยไม่เท่ากันปริวานไม่ดีเหมือนบ้านมียุงชุมจะนั่งจะนอนมันให้รําคาญแต่ถ้ากลางม้งให้ดีแล้วก็นอนหลับสบายยุงเข้าไปไม่ถึงแต่ถ้าลูกไม่ดีพ่อแม่จะยุ่งใจกว่านั้นถ้าจะเปรียบก็เหมือนบ้านมีเลือดชุมกลางม้งแล้ว มันก็ยังตามไปกัดได้เล่นเอานอนหลับๆตื่นๆยิ่งถ้าผัวร้ายเมียเลวก็เหมือนกับเนื้อตัวเราเป็นหิดนั่งก็คันนอนก็คันกลางมุงแล้วก็คันถ้าเอาผ้าห่มคลุมโปงแล้วมันก็ยังคันแต่ในบรรดาความคันทั้งหลายนั้นคันยุงแค่นอนลำบากคันเลือดก็แค่นอนไม่หลับแต่คันหิดถึงกับนอนไม่ลงอาทิตย์เดียวและเช่นเดียวกันทุกเพราะบริวารชั่วแค่กินไม่ได้ ทุกเพราะลูกเลวก็แค่นอนไม่หลับแต่ทุกเพราะผัวร้ายหรือเมียเลวมันทั้งกินไม่ได้ทั้งนอนไม่หลับรวมกันเลยทีเดียวตกลงว่าปัญหาเรื่องการครองเรือนจึงรวมลงที่คนสำคัญสองคนเท่านั้นคือผัวคนหนึ่งกับเมียอีกคนหนึ่งฉะนั้นปาทักาถาของผมต่อไปนี้จะได้เล็งเข้าหาจุดสาคัญที่ว่านี้แก้ตรงนี้ตกแล้วก็เป็นสิ้นของเรื่อง ผมเคยเปรียบความว่าครอบครัวหนึ่งหนึ่งนั้นเปรียบเหมือนกับร่างกายของคนคนหนึ่งผัวกับเมียเปรียบกับขาขวาและขาซ้ายตามธรรมดาคนเราถ้าขาสองข้างสมบูรณ์มีกำลังวังชาแข็งแรงจะไปไหนไปไหนกับชาวบ้านเขาก็ไปได้ถ้าเดินเราก็เดินกับเขาได้เขาวิ่งก็วิ่งกับเขาได้เหมือนกันเพราะขาเราดีแต่ถ้าใครขาหักเสียข้างหนึ่งเหลือข้างเดียว ความสะดวกสบายก็ลดลงจะเดินจะเหินก็ไม่ทันเขายิ่งถ้าขาหักทั้งสองข้างก็ยิ่งแย่ใหญ่ที่จะหวังทำอะไรให้ทันชาวบ้านเขาเป็นไม่สำเร็จแล้วอย่างดีก็แค่นั่งหายใจรอวันตายเรื่องของครอบครัวก็เหมือนกันครอบครัวใดผัวก็ดีเมียก็ดีดีทั้งผัวทั้งเมียครอบครัวนั้นมีความสุขและมีหวังจเจริญก้าวหน้าเหมือนกับคนขาดีทั้งสองข้าง แต่ถ้าครอบครัวใดดีคนเดียวเช่นผัวดีทำงานอาบเหงื่อต่างน้ําหาเงินเข้าบ้านแต่มีเสียนั่งเล่นไพ่วันยังค่ําหรือไม่ก็เที่ยวเชิญแชร์นินทาคนโน้นใส่ร้ายคนนี้หาแต่เรื่องไม่เป็นมงคลเข้าบ้านส่วนการบ้านการเรือนที่ควรจะจัดไม่จัดที่ควรจะทําไม่ทําอย่างนี้แย่หน่อยเรียกว่าดีข้างเดียวเหมือนคนขาเดียวอย่างนั้นแหละ โปรดคิดดูเองก็แล้วกันว่าจะลำบากแค่ไหนหรือครอบครัวใดเมียแสนจะดีทำงานตัวเป็นเกลียวสู้อดออมเก็บหอมรอมริบปฏิบัติผัวอย่างกับพ่อแต่ฝ่ายผัวนั่งกินเหล้าหามรุ่งหามคำ่ำเที่ยวสุกซนหลงไหลกับสุรานารีกว่าจะกลับถึงบ้านก็แทบจะจำหน้าลูกเมียไม่ได้อย่างนี้เป็นกรรมของครอบครัวเหมือนขาหักไปข้างหนึ่งเหมือนกันสาร้าย ถ้าครอบครัวใดผัวก็แหลกเมียก็เลวเสียด้วยกันทั้งคู่ครอบครัวนั้นชะตาขาดแน่ๆเหมือนคนขาด้วนทั้งสองข้างแล้วที่จะหวังความเจริญต่อไปนั้นอย่าฝันปีนี้ขายฝาปีหน้าขายหลังคาปีต่อไปถอนเสาเรือนขายแล้วก็ถือกระลาไปขอทานเขากินรอวันตายเท่านั้นเองลงได้คนสองคนนี้ไม่เป็นตัวของตัวแล้วแย่ทุกครอบครัว มันกระเทือนไปหมดอยากรู้จริงลองดูก็ได้และไม่ต้องพูดถึงความเร็วร้ายอะไรมากมายนะักเอาแต่การทะเลาะกันรายวันอย่างธรรมดานี่ก็ได้วันไหนลูกกับลูกทะเลาะกันสักสองคู่สคู่สถานการณ์ในครอบครัวก็ยังไม่ตึงเครียดเพียงแต่ทาให้คนในครอบครัวเดียวกันรู้สึกรําคาญใจบ้างเท่านั้นแต่ถ้าพ่อบ้านกับแม่บ้านทะเลาะกันคู่เดียวเท่านั้นจะเปลี่ยนบรรยากาศในครอบครัวหมดสิน้น ทุกคนในบ้านจะเงียบเหงาและต้องคอยหลบตัวเป็นเกลียวกลัวจะโดนลูกหลงเข้าคิดดูสิท่านผู้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนคนจะเดินได้เพราะขาดีครอบครัวจะก้าวหน้าได้ก็เพราะพ่อบ้านแม่เรือนดีไม่ควรลืมว่าท่านเองเป็นขาข้างหนึ่งของครอบครัวและขอส ก, กิลด้วยว่าคนคนหนึ่งมีขาสองข้างนะพอดีแล้วไม่ใช่ว่ายิ่งขามากยิ่งดีขามากเกินไปจะเดินไม่สะดวก แทนที่จะเร็วกลับช้าพราท่าขากับขาเกิดขัดกันเองหกคะแนนเทนเท่ไปก็มี 2. การเลือกคู่การสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีข้อควรคำนึงเป็นพิเศษอยู่สองข้อคือตัวสิ่งของที่จะใช้ก่อสร้างซึ่งภาษาช่างเรียกว่าวัสดุเช่นไม้เหล็กอิฐหินปูนทรายเป็นต้นนั้นอย่างหนึ่ง กับอีกเรื่องหนึ่งคือการออกแบบตัวอาคารที่จะสร้างได้แก่เครื่องก่อสร้างอย่างดีแล้วจะต้องคิดอีกว่าเราจะสร้างบ้านแบบไหนสิ่งก่อสร้างดีทำให้บ้านทนแบบบ้านดีทำให้อยู่สบายการสร้างเรือนชั้นไหนก็เหมือนกันจะตั้งครอบครัวให้เป็นฝั่งเป็นฝาต้องคำนึงถึงตัวบุคคลที่จะประกอบขึ้นเป็นครอบครัวและโครงการบริหารครอบครัวต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่สุด ที่ผู้ครองเรือนจะต้องคิดพิเศษคือการเลือกคู่หลักสำคัญเราต้องเลือกคนดีๆเป็นคู่อย่าได้เลือกเอาคนไม่ดีมาเป็นขาดใครเลือกคนไม่ดีมาเป็นคู่ครองก็เหมือนเราจะปลูกบ้านทั้งทีแต่เลือกเอาไม้ไผ่มาทาเสาซึ่งตามธรรมดาไม้ไผ่นั้นผิวเกลี้ยงกลาวเป็นมันมาแต่กาเนิดแต่ข้างในกลวงเป็นโพรงใช้งานถาวรไม่ได้ ไม่ทนแดดทนฝนชอบแต่งอกสูงชนลูดขึ้นไปแว่งยอดต้านลมกลางฟ้าเท่านั้นแม้จะใช้ทำอะไรก็เอาดีไม่ได้หักง่ายผูกง่ายลงได้ปลูกเรือนเสาไม้ไผ่แล้วถึงจะสร้างฝากระดานหลังคามุงกระเบื้องตกแต่งหรูหราอย่างไรก็ตามไม่กี่วันก็พังการเลือกคนเป็นคู่ครองก็เหมือนกันคู่ครองเป็นหลักของครอบครัวแต่คนประเภทไม้ไผ่มี สวยแต่รูปร่างแพรวพราวแค่เครื่องประดับสดชื่นแค่เครื่องไล้ทาแต่จิตใจไม่มีเก่นสารชอบแต่อวดร่าเริงเล่นกับลมปากของคนอื่นเหมือนไม้ไผ่ผิวนอกเกลี้ยงเกลาแต่ข้างในกลวงชอบสูงชนลูดขึ้นโต้ลมเล่นอย่างนั่นเองครอบครัวที่ประกอบด้วยคู่ครองที่เป็นคนไม้ไผ่แย่ทุกรายคนมันไม่ดีแล้วถึงจะประกอบพิธีสมรสอย่างเออกเิก เชิญแขกทั่วเมืองมารดน้ำก็ทำให้ชุ่มเย็นชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นเย็นแต่ที่ฝ ม, มือพอรดน้ำสังแห้งน้ำตาก็ออกแทนเคล็ดสำคัญของการตั้งครอบครัวอยู่ตรงนี้ตรงเลือกคู่นี่การเลือกนั้นเราเลือกมาก่อนก่อนที่จะรดด้วยน้าสังถ้าเราไปควา้าเอาคนใจเลอะเทอะมากๆคิดหวังแต่ว่าจะเอามาล้างให้สะอาดด้วยน้ำสังไม่สาเร็จ พูดถึงการเลือกคู่เห็นมีลทัทธิแปลกอยู่อย่างหนึ่งของคนหนุ่มๆสาวๆขอแวะตรงนี้หน่อยคือหนุ่มๆสาวๆเวลารักกันมักจะถือว่าเป็นความลับไม่แพร่งแปรให้ใครรู้คิดคอยจะแถะลงข่าวครั้งแรกในก๊าซเชิงรถน้ำทีเดียวถ้าหากว่าข่าวรั่วไหลให้คนอื่นล่วงรู้ก่อนพิมพกา๊าซหรืออย่างน้อยก่อนพิธีมั่นต่างก็มักจะถือว่าเป็นความบกพร่องในเชิงรัก การสงวนเรื่องรักเป็นความลับมีผลทั้งดีทั้งเสียคือดีทางนโยบายเสียทางเลอกคู่ทางนโยบายหมายความถึงการคุ้มครองเมื่อรักเปลี่ยนแปลงและการครองรักไปภายหน้าคนเรามีอยู่จำพวกหนึ่งที่คอยขัดคอคนอื่นเวลาเห็นเขารักกันการไม่เปิดเผยให้คนภายนอกรู้เป็นการป้องกันการแทรกแซงของคนประเภทนี้ได้ดีประการสาคัญอีกอย่าง คือการเปลี่ยนแปลงความรักความรักนั้นมันเป็นของซ้อนกันไม่ได้หรือแม้แต่จะเกยกันบ้างก็ไม่ดีเดิมรักคนนี้อยู่แล้วภายหลังเกิดจากคนนี้ไปรักคนใหม่ถ้าหากคนใหม่เขารู้ความหลังว่าเราเคยรักใครคนหนึ่งมาก่อนเขาก็ไม่ปรงใจรักสนิทนอกจากจะสงสัยเราว่าเราอาจเป็นคนเดนเลือกของคนอื่นแล้วสงสัยว่า เขารักกันขาดตอนจริงๆแล้วหรือยังหรือจะยังมีเชื้อรักตกค้างอยู่ในหัวใจอีกมันให้คิด8ปดรการเล่าประวัติรักเก่าให้คนรักใหม่ฟังนั้นเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นอันตรายอย่างน้อยก็ทำให้ถูกแกล้ถ้าเขารู้ว่าคนรักเก่าชื่อแม่ลำดวนต่อไปเราจะชมดอกลำดวนบ้างไม่ได้เลยแม้แต่จะทักต้นลำดวนจะพูดถึงดอกลำดวน จะไปบ้านลําดวนเป็นแสลงรักทั้งนั้นฉะนั้นการถือว่าความรักก่อนแต่งงานเป็นเรื่องปกติก็ดีอยู่และดีเป็นพิเศษสําหรับนักจับปลาสองมือแต่ก็เสียทางเลือกคู่คือแทนที่คนอื่นจะได้ช่วยเลือกก็ไม่มีโอกาสจะช่วยได้เป็นการเสี่ยงได้เสี่ยงเสียในเรื่องสําคัญคนเราก่อนแต่งงานเขาเคลือบไว้ด้วยน้ําผึ้งน้ําตาลทั้งนั้นยิ่งสมัยนี้คนวิทยาศาสตร์มีมาก ต้องระวังให้ดีแต่งงานกันแล้วจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แล้วคู่ครองนั้นลงได้เลือกแล้วเปลี่ยนยากนักถ้าเราจะซื้อเสื้อใส่สักตัวหนึ่งเราอาจใช้เวลาเลือกสักห้านาทีก็ได้เพราะแม้ว่าจะซื้อแล้วมันเกิดไม่ดีเราจะโยนมันทิ้งเสียเมื่อไหร่ก็ได้หรือไม่ทิ้งจะเก็บใส่ตู้ใส่หีบไว้หาซื้อที่ชอบใจมาใหม่สัก10ชุด20ชุดก็ได้ถ้าเรามีสตัง แต่คู่ครองไม่ใช่อย่างนั้นคนเดียวจะต้องอยู่กินกันจนตายซึ่งเป็นเวลานับสิบสิบปีแม้จะรู้ว่าไม่ดีก็ทิ้งยากมันทิ้งไม่ลงเราปล่อยมือแล้วเขาก็ไม่ยอมร่วงจะทำอย่างไรมันทำนองว่ากลืนง่ายแต่ขายยากบางรายตัดกันไม่ขาดต้องเดือดร้อนถึงโรงถึงสารให้ช่วยตัดให้แล้วถ้าไม่ทิ้งล่ะไม่ชอบใจก็เก็บไว้เสียเฉย หาที่ชอบใจมาสะสมไว้เพื่อผัดเปลี่ยนเหมือนผ้าที่ว่าแล้วก็ทำไม่ได้อีกขืนทำก็ยุ่งใหญ่ของพันนี้ท่านห้ามสะสมนิยมว่า ด, ดีที่สุดเพียงคู่ผัวตัวเมียจึงได้เรียกว่าคู่ครองไม่บังควรทำให้มีขี้เป็นอันขาด